ท่านฟังที่เคารพคะรายการสัสนสนทนาเรามีสัปดาห์หนึ่งก็ห้าวันคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้เป็นวันปลายสัปดาห์ดิฉันก็ได้กลับเรียนหาหรือกับท่านเพบูนะคะว่าเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องที่เชื่อว่าท่านฟังทั้งหลายเนี่ยสนใจและบางคนเนี่ยขยันนะคะปฏิบัติเองแต่วันทีไปเจอปัญหาก็ไม่ทราบจะไปหาหรือใครก็ในเรื่องเหล่านี้เนี่ย อาจจะเป็นสัปดาห์ละหนึ่งวันเต็มๆนอกเหนือจากวันอื่นๆที่อาจจะมีคําถามเกี่ยวเนื่องไปแล้วไปเจอเดี๋ยวยังไงก็มาเริ่มต้นกันที่วันนี้เลยเราไปกราบเรียนพระอาจารย์ภัยบูลอภิปุโ น, โนช่วงเปิดธรรมที่ถูกเปิดด้วยพุทธวัจนะกันค่ะนักศึกษารันท่านคะเชิ่อมพานค่ะท่านคิดเห็นว่าจะเป็นวันศุกร์หรือจะเป็นวันไหนดีคะที่จะพูดในเรื่องนี้โอ้ก็คิดว่า อาจจะพูดวันในวันพฤหัสก็ได้ดีไหมท่านคะดิฉันคงเข้าใจไม่ผิดใช่ไหมคะที่ว่าท่านเนี่ยจะพบกับผู้ที่มาฝึกปฏิบัติแล้วก็มีปัญหาถามท่านแล้วคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่ฟังอยู่ทางบ้านอ๋อใช่ใช่ใชค่ะเพราะฉะนั้นอย่างวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นคําถามที่ดิฉันตั้งขึ้นมาเองเพราะว่าเกิดจากตัวเองนะคะคือแปลกมากว่าเวลาที่ไปปฏิบัติกับคนเป็นหมู่เป็นมวลเนี่ยคะ่ะ ดียฉันจะนั่งสมาธิไม่ค่อยได้แต่สมาธิมักจะเกิดขึ้นแล้วดีมากเลยในขณะที่คนอื่นเขาไม่ได้นั่งกันเขาฟังกันฟังการบรรยายธรร ม, มเป็นเพราะอะไรกันน ะ, ะมันก็หลายคนก็จะเป็นหลายแบบแสดงว่าในกรณีนี้ผู้ชอบเคยพูดถึงะระดับของสารบัญ น, นะนะระดับของอริยบุคคลเนี่ย พี่พูดถึงว่าเออบางคนเป็นทิฏฐิปัดบางคนเป็นกายสักขีบางคนเป็นสัทธาวิมุตต์บางคนเป็นปัญญาวิมุตต์เป็นต้นผู้นี้ต่างกันยังไงนะก็จะต้องอธิบายให้ฟังอยู่ว่าอย่างสมมติคนที่มีสัทธาวิมุตต์อย่างเงี้ยเพราะมีเราอาจจะเคยเห็นเด็กบางคนหรือว่าผู้ใหญ่บางคนเนี่ยเห็นพระเจ้าพระสงฆ์เห็นพระพุทธรูปเห็นอะไรต่างๆที่เป็นคำสงส์ใช่ไหมสัทธาจิตมันน้อมไปจิตมันน้อมไปอย่างนี้จะเป็นสัทธาวิมุตต์หรือสัทธานุสารี อย่างหลวพอ่อดรสะอาดอย่างเงี้ยสมัยก่อนท่าเล่าให้ฟังตอนท่านเป็นเด็กเนี่ยนะเห็นพระสงฆ์แล้วจิตมันนุ่มนวลลงไปตอนลายห้ฟังตอนเด็กๆ ก, ก็อยากบววตั้งแต่10บขวบ15บหขวบบววแล้วอย่างเงี้ยอ่าเป็นอย่างนั้นแต่ธรรมาไ ม, า, าไม่เป็นอย่างนั้นไงค่ะธรรมาจะไม่เป็นอย่างนั้นธรรมะจะอ่าเป็นอีกลักษณะหนึ่งคือพอเรามาเข้าใจคําสอนแล้วเราแม่อันนี้ถึงจะถูกอย่างเงี้ยเรามีความร่าเริงขึ้นมามากอย่างเงี้ยอันนี้เป็นลักษณะของพวกทิฏฐิปัต ทิฏฐิปัดใช่ทิฏฐิปัดสะกดยังไงัท่านอาจเอ่อทอทหารสลอิแล้วก็ทอสันฐานสลอิแล้วก็ปอปลาแล้วก็ปอปลาอีกตัวหนึ่งแม่อากาศตอเต่าตอเตากรรัทิฏฐิปัดในทิเนี่ยสะกดด้วยปอปลาเลม่ในอกตอเต่าแล้วก็ตเต่ากระรนแปลกมากดลชฉันไม่เคยเห็นคำนี้มาก่อนเลยท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังก็อาจจะไม่เคยเห็นกันหลายคนเหมือนกันนะคันเนี่ยทอทหารสลอย ทอฐานแล้วก็สลีแล้วก็ปอปลาสองตัวด้วยนะคะใช่ก็เท่ากับว่าทิพทิพถูกไหมคะทิพทิพถูกมีสะกดตปอปลาตัวที่สองมหานอากาศต่อเต่าแล้วก็ต่อเต่าตัวที่สองกาลันใช่แปลว่าอะไรนคะเออเป็นแปลว่าผู้ที่เห็นนะลงสู่เขาเรียกว่าผู้บรรลุแล้วด้วยความเห็นลงสู่ธรรมะหมายว่าคุณมีความเห็นถูกต้องคุณจึง ผางขึ้นมาได้อย่างเวลาเราเข้าใจอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งแนละ้วมันอ๋อขึ้นมาเนี่ยนะเป็นลักษณะ น, นี้แต่ว่าตัวเองเคยมีได้รับความจุกจฉกสมาธิไม่ไมเคยะแล้วเคยได้รับสมาธิขั้นลึกซึ่งเช่นวิโมก8ปดุ้ยพูดไรไม่เหนรู้เรื่องเลยสมาธิฉันยังไม่เคยได้จะไปอะไรวิโมกแต่ว่าเวลาฟังธรรมะคุยกันแล้วเนี่ยเห็นถูกต้องด้วยปัญญาชัดเจนนะเห็นลงแล้วประพฤติลงแล้วด้วยปัญญาอานี้คุณเป็นทิติบัตยใครเป็นประเภทนี้ภาษาดิบุตร พระสารีบุตรเนี่ยฟังธรรมจากท่านพระอาสัชินะรอจังหวะอย่างดีพอท่านพระอาสัชิสันเสร็จเรียบร้อยแล้วน้อมน้ําล้างมือเข้าไปถวาย <Okay. S 1> โอ้ท่านมีอินทรีย์งามลึกเกินท่านปฏิบัติในใครมาท่านพระอาสัชิพูดคำบทเดียวเองท่านพระสารีบุตรตอนนั้นเลยบรรลุปเป็นพ ร, พระเรียกว่าโซนบัน <Okay. S 1> ด้วยความเป็นผู้ที่ยังลงในความเห็นอันถูกต้องสมาธิสมาธิาอะไรไม่เคยได้ ม, <Okay. S 1> มาเห็นถูกต้องตรงนั้นเท่า น, นั้นเองจิตเราก็จะเรียกว่า ร่าเริงขึ้นมานะทําให้เป็นผู้ที่มีความไม่ประมาทขึ้นมาในระดับนั้นแล้วว่าไม่ต้องแก้ไขอะไรคะท่านก็ยังมีกิจที่เธอต้องทําให้ยิ่งขึ้นไปอีกก็เพราะว่ายังยังไม่เป็นพระอาหารหันต์ในระดับของทิฏฐิปัตตเนี่ยถ้าไอความเห็นที่เราหยั่งลงไปตรงนี้นี่นะเป็นความเห็นระดับที่จะสามารถละสังโยชน์เบื้องต่ํสามอย่างละสังโยชน์สมอย่างได้คุณก็จะเป็นโสดาปติผล์ทันที ตรงนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราเป็นโสดาปฏิมาคือยู่ค่ะอืสังโยชน์สามอย่างนั้นคืออะไรบ้างค ะ, ะคือความวิจิการความเครื่อนแกร่งระแบ่งสงสยัยค่ะนะความสักยะทิฏฐิคือความเห็นว่าตัวเราของเรานะแล้วก็อย่างที่สามคืออะไรล่ะสีลพัตตประมาทนะคือการประพฤติปฏิบัติศีลและข้อปฏิบัติที่ผิดผิดจะได้เป็นโซดาบาัณโสดาปฏิผลใช่โซดาปฏิผล แล้ว๋ อ, อเมื่อกี้ท่านว่ามาสองประเภทนะคะคือพวกสัทธาวิมุตต์ประเภทที่สองก็คือทิพทิปปัดมีประเภทที่สามไหมคะมีอยู่คืออย่างเช่นว่ากายสกขีนะคือคนที่นั่งสมาธิได้ อ, อ, อย่างอดมาเมื่อก่อนเรานั่งสมาธิไม่ค่อยได้แต่พอเรามาฝึกในภายหลังเรามาฝึกนะทําให้เราเข้าข่ายอยู่ในลักษณะของพวกนี้นะคือคนที่นั่งสมาธิได้ ชอบนั่งสมาธินะพวกนี้คือกายสักีไปเลยกายสักีก็แปลว่ า, เ, าเห็นได้ด้วยกายตัวเองเป็นสักีพยานก็คือคพระพุทธเจ้าเคยพูดถึงฌานนะระดับที่หนึ่งสามสี่ไล่ขึ้นไปอีกรูปสัญญาสมาบา 5, 6, 7, 8, นะัติห้าหกเจ็ดปดเพราะนั้นเราได้สมาธิขั้นพวกนี้หมดเดวคือคพวกกายสักขีเท่ากับว่าถ้าในบรรดาทั้งหมดเนี่ยศรัทธาวิมุต พิถิ ป, ปัดกับกายสัตวขีอะไรดีกว่ากันคะอันนี้ก็เป็นคําถามเนี่ยคุณยมติวนี่ถามฉลาดมากถามเหมือนท่านพระสารีบุตรเลยโอ้ภาษาถู <laughs> ท่านพระสารีบุตรเนี่ยไปยกพวกไปกับพระอานนท์แล้วก็ยกพวกไปกับพระอุบาลีแล้วก็ยกพวกไปกับพระนุรุทธะนะถ้าถ้ามาจะไม่ผิดแต่ว่า <c oughs> ไม่ได้ไปรูปเดียวไปหลายรูปนะไปถามพระพุทธเจ้าว่าเอ๊ะพวกสัทธานุสารียสัทธาวิมุตต์อ่า ล้กทิฏฐิปัดพวกที่เราคุยมาพวกนี้นะกายะสกีด้วยเนี่ยอันไหนดีกว่ากันพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าการพยากรณ์โดยส่วนเดียวเนี่ยว่าฝ่ายไหนจะดีกว่ากันเนี่ยมันพูดยากนะเพราะว่าในขณะที่พวกที่กายะสกีเนี่ยบรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วนะแต่ในขณะที่รูปอื่นเนี่ยประเภทอื่นเช่นทิฏฐิปัดเนี่ยยังไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์เนี่ยก็มีอยู่ นะในทางตรงกันข้ามพวกทิพติปัตเป็นต้นนะบรรลุปเป็นพระอรหันแล้วแต่กายสกคีสทธาวิมุตยังเป็นอริยะบุคคลขั้นต้นอยู่ก็มีม ค, คือถ้าจะแปลงคําถามนี้ให้เข้าใจได้อีกมากขึ้นก็คือว่าถ้าเราจะต้องการผลิตพระอรหรันกรูปหนึ่งวัตถุดิบไหนจะดีที่สุดจะเป็นกายสกกทีสทิปัตลักษณะนี้นะซึ่งพระพุทธเจ้าก็ต้องอก็บอกว่าฟันธงไม่ได้หรอกว่าวัตถุดิบไหนจะดีที่สุดนะเพราะว่าบางที คือเอาความที่ว่ามันบรรลุผลสำเร็จถึงที่สุดเนี่ยคือความเป็นอรหันต์ก็แล้วกันอ๋อคือบอกก่อนถึงปลายทางไม่ได้ใช่คะ่ะอันทีทั้งหมดแล้ว่าใช่ไห<ป>มคะแปลว่าก็ค่อยๆ<ค>ทำไปอวัตถุดิบไหนดีทั้งนั้นแหละในสี่ห้าประเภทนี้ค่ะท่านฝังก็ลองพิจารณาตัวเองนะคะสำหรับผู้ที่อยู่บนหนทางแล้วคือปฏิบัติอยู่แล้วเนี่ยลองพิจารณาดูซิหรือว่าศึกษาทาแล้ว ว่าท่านอยู่ในประเภทใดท่านเคาจะว่าไปก็ดูเหมือนกับว่าถ้าเป็นประเภทของทิฏฐิ ป, ปัตตเนี่ยแปล ว, ว่าต้องเป็นผู้ที่ได้ฟังธรรมมากหน่อยสิคะเพราะบางคนถ้าปฏิบัติเนี่ยเขาอาจจะมุ่งเน้นในทางปฏิบตัติแล้วก็อาจจะให้ความสําคัญเรื่องฟังธรรมน้อยออฟังธรรมมากหรือน้อยนี่อาจจะเกี่ยวข้องกับว่าคุณเอามาใคร่ครวญมากหรือน้อยอถ้าเผื่ อ, อว่าผู้ที่เป็นทิฏฐิ ป, ปัตตเนี่ยอาจจะฟังบทเดียวแล้วได้รับการใคร่ครวญพิจารณาตามอย่างมากมากบ่อยๆ อย่างบทเดียวก็ได้อย่างท่าน菩าที่บุญในบทเดียวเลยบทเดียวอืมแวบเดียวเท่านั้นเองท่านกําลังจะส่งสัญญาณบอกหรือไงคะว่าไม่ต้องกังวลถ้าไม่มีโอกาสฟังธรรมมากอฟังมากๆดีนะแต่ถ้าฟังไม่ได้ฟังมากก็ไม่ต้องกังวลเอค่ะคือเหมือนไม่ได้บอกว่าให้ขี้เกียจฟังให้ขยันฟังไว้ดีแล้วฟังมากก็จะทราบมากอืมแต่ถ้าท่านไม่สะดวก บางคนเนี่ยจะมีจุดอ่อนของแต่ละคนไม่เหมือนกันอนะคะบางคนจะเป็นคนที่ฟังแล้วมันไม่ค่อยเข้าหูดิฉันเคยมีอยู่ภักหนึ่งคะ่ะท่านคะเวลาฟังพุทธวจะนะฟังใหม่ๆเนี่ยนะคะไม่ผ่านเราก็เป็นคนต้องขับรถไปด้วยก็ใส่ซีดีเข้าไปในเครื่องเล่นขับรถไปตั้งใจฟังนะคะตอนแรกเสร็จแล้วจิตเนี่ยคะ่ะมันไปรับรู้อย่างอื่นตลอดเวลาเ <c oughs> <c oughs> กี๋ยวกับมาอ่ะต้องย้อนไปฟังใหม่และะ้อจนท้อเลยคะ่ะอืมอันนี้ก็เลย สำหรับในกรณีที่ฟังมากลำบากมากกว่าฟังน้อยอันนี้ผู้ที่ชอบเคยตรัสไว้คือโยมติวของผู้ที่ฟังทำไม่รู้เรื่องเนี่ยนะเพราะว่าสนใจแต่ผู้พูดอย่างเดียวหรือว่าสนใจแต่ผู้ฟังอย่างเดียวในกรณีที่เราขับรถอยู่เนี่ยเราจะไปสนใจแต่ผู้ฟังอย่างเดียวคือตัวเราอย่างเดียวไม่สนใจสิ่งนั้นมันก็ทาให้ฟังทาไม่รู้เรื่องละสนใจที่ตัวเราเองกำลังขับรถอยู่ใช่ แล้วก็หรือว่ามากไปด้วยจิตลบรู่แข็งดีฟังธรรมหรือว่าจิตไม่เป็นสมาธิก็จะมีเหตุอยู่หลายๆอย่างเหมือนกันค่ะก็คือสรุปแล้วว่ามันมีหลายเหตุแต่ถ้าศึกษาถ้าทำไปเนี่ยมันจะพบเองไหมคะว่าปัญหาของเราคืออะไรหรื อ, อว่าจะพบเองไหมคะว่าวิธีการแก้ปัญหาของเรามันปรากฏแล้วถ้าเราทำแบบนี้ใช่มันจะเป็น ง, งี้อาจาจะได้ฟังคืออย่างพวก ที่เราพูดถึงกายสกิสาทวิมุตต์เนี่ยเวลาเดินไปเดินไปเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปนะคุณเป็นอย่างนี้โอเคไม่เป็นไรคุณต้องฟังทำพวกนี้ก็ไปนั่งสมาธิซ ะ, ะพวกนี้ก็คอยมาทําอย่างอื่นก็แล้วกันมันจะไปถึงจุดที่เรียกว่าจะดีหรือไม่ดีมันมีแค่2ทางพรนะพุทธเจ้าเคยพูดถึงพวกปัญญาวิมุตต์กับอุคโตภาควิมุตต์นี่คือพูดถึงคนที่กําลังจะเข้าเป็นบรนะอรหันตนะไม่มาทางใดก็ทางหนึ่งนี้นะคืออุคโตภาควิมุตติกับปัญญาวิมุตต์ อต่างกันยังไงก็<ช>คือ<ช>ว่าคนที่เป็นกยายสักขีก็ตามบางทีไปเป็น เ, เขาเรียกว่าอะไรปัญญาวิมุตต์คนที่<ช><ช>เป็นกยายสักขีเดี๋ยวบางทีเขาจะเป็นพระอรหันต์อีกคนหนึ่งนะก็าอาจจะเป็ น, ปนแบบอุค โ, โตภาควิมุตต์คนที่เป็นศรัทธาทิฏฐิปัดมาก่อ น, น, นจะไปจะมาเป็นบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็เป็นอุกโตภาควิมุตต์อีกคนหนึ่งกับเป็นปัญญาวิมุตต์ก็มีเหมือนกันสองอันต่างกันยังไง อุโกโตภาควิมุตต์เนี่ยคือบุคคลที่ได้สมาธินะแล้วก็ใช้สมาธิที่ตัวเองมีเนี่ยแล้วก็เห็นมีวิปัสสนาเกิดขึ้นอุอโกโตภาคตัวนี้ก็แปลว่าสองส่วนวิมุตต์ที่สำเร็จโดยสส่วนคือทั้งสมถะและวิปัสสนา อ, อันนี้คื อ, อพูดถึงควา ม, วามที่จะก้าวสู่ความเป็นพระอรหันต์ของบุคคลที่เป็นอุค โ, โตภาควิมุตต อท่านพระสารีบุตรเป็นอย่างนี้ท่านพระสารีบุตรเนี่ยเล่ า, าพระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังถึงอาการที่ท่านพระสารีบุตบรบรรลุ ธ, ธรรม <คะ S 1> นั่นก็คือพูดถึงการที่เข้าสมาธิขั้นที่หนึ่งถึงขั้นที่แปดมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาแล้วเลื่อนไปขั้นที่เก้าแล้วปล่อยวางได้หมดมทั้งทั้งที่ท่านพระสารีบุตรเนี่ยเป็นเป็นทิฏฐิปัตตาก่อนใช่ไหมยังม า, <คะ S 1> มาบรรลุเป็นบระอรหันด้วยอุค โ, โตโภาพิมุตตอ<ม> ในขณะที่วิธีปัญญาวิมุตต์คืออะไรก็คือว่าการเห็นการเกิดดับความไม่เที่ยงอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งปล่อยวางได้หมดค่ะก็มีหนทางของเขาใช่ใช่การที่ปฏิบัติไปเนี่ยการเกิดดับปรากฏขึ้นเองหรือว่าการเกิดดับมันเกิดจากการที่เรารู้ว่าเราจะพิจารณาเราจะมองให้เห็นการเกิดการดับ การเกิดดับนี้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่เรามองไม่เห็นเราจะมองเห็นเขาได้นะจิตของคุณจะต้องอมีกำลังเป็นสมาธิก่อนอเพราะฉะนั้น เ, เราจะมองเห็นความเกิดดับความไม่เที่ยงได้เนี่ยจิตเราต้องเป็นสมาธิตูกต้องในระดับที่พอสมควรทีเดียวใช่เพราะว่าบางคนอาจจะบอกว่าฝึกมาตั้งนานแล้วก็ยังไม่เห็นเกิดดับชัดๆถูกไหมคะ ก็เลยอยากจะถามว่าเอ๊ะเกิดดับเนี่ยต้องไปจ้องมองเอาว่าอ๋ออารมณ์ใหม่อารมณ์นี้เกิดมาแล้วแล้วบอกตัวเองก่อนที่จะดับมันไปก่อนที่จะละไปอยู่กับลมหายใจว่ามันเกิดแล้วเออคือเห็นเห็นได้ระดับเท่าที่สมาธิมีเอาพูดงี้ดีกว่าถ้าคุณสมาธิคุณไม่มากคุณก็เห็นความเกิดดับในระดับที่สมาธิไม่มากนั้นค่ะอ่มันก็จะไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ ถึงขั้นขึ้นไปอะนะแต่ก็เท่าที่เห็นของเขาอย่างสมมติเอา ง, ง่ายๆตอนนี้เรายังไม่บรรลุสมมุติเรายังไม่บรรลุเป็นพาาระอรหันต์ยังไม่บรรลุเป็นอายะบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งเลยแต่คุณเล่นของเล่นเด็กไหมคุณไปแย่งเด็กลเล่นตุ๊กตนตุ๊กตาไหมขับจําล้อเนี่ยเล่นแย่งกัเล่นไหมไม่แย่งนะเพราะอะไรเพราะเราเห็นตามที่เป็นจริงแล้วว่าของเล่นเด็กมันของเล่นเราไม่ไปเล่นข้าวมอแกงเล่นโ ย, โยโย่เล่นอะไพวกนั้นเพราะก็เรามีสมาธิที่เด็กเขาไม่มีทําให้เราเห็นตามเป็นจริงอย่างที่เด็กเขาไม่เห็น คุณก็จะเห็นจะตามจริงเห็นเกิดดับในระดับที่สมาธิของคุณอนุญาตให้คุณเห็นได้ค่ะเพราั้นแปลว่าถ้าเห็นในลักษณะไหนไม่ต้องรีบถูบะคะอืปแล้วว่าคนที่ปฏิบัติธรรมในลักษณะที่มันยังไม่เห็นแบบเห็นชัดเต้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมค่ะใช่อันเนี้ยเดี๋ยวยังคิดว่าจําเป็นนยคะเพราะว่าบางคนเนี่ยฟังเพื่อนแบบเฮยเกิดดับเกิดดับเกิดดับ มันเกิดอย่างไงมั น, นดับตรงไหนก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมาแอบถามพระอาจารย์ดีกว่าวจะได้ไปกำหนดตัวเองว่าเห็นแล้วพวกอุคโตภาควิมุตจะไม่เป็นอย่างนั้นบ่อยๆหรอ ก, กเขาจะไม่เห็นเกิดดับอยู่บ่อยๆหรอกอุคโตภาควิมุตเกาจะอยู่ในสมาธิมากๆมากกว่าค่ะนะคะก็มีกำลังใจปฏิบัติไปก็แล้วกันแล้วถ้ามีปัญหาอะไรเราเชื่อว่าฟังรายการสันนีสนท น, น, นา ต่อไปเรื่อยๆนะคะท่านก็จะได้เห็นแน่เห็นมุมทั้งจากที่พระสูตรที่ท่านมารชาคาวโรได้อ่านไปกับทั้งที่ท่านพิบูลเนี่ยมาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะให้กับเราหรือบางทีก็อาจจะเป็นท่านไปพบเองด้วยการไปเปิดหนังสือที่ท่าจันเครกฤตได้แจกให้ในชุดพุทธวจนะก็เป็นไปได้นะคะใช่เหมือนกันท่านพิบูลค่ะวันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้ท่านก็จะไปพบกับท่านฟัง ไม่ได้หยุดไปไหนหรือว่าเปลี่ยนที่ไปหน่อยทั้งนั้นเองใช่ไหมคะใช่ก็ที่สถานีวิชุกกระจายเสียงประเทศไทยค่ะในะส่วนวันนี้เราก็ต้องนมสการมกรบพระคุณท่านพิบูลเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะพิบูค่ะนมหการมกันท่านคะเพื่อนฟังที่เคารพคะเราก็จะได้พักกันสอาทิตย์นะคะดิฉันท่านมาร์กแล้วก็ท่านผู้ฟังคือหมายถึงว่าเราไม่เจอกันทางรายการเนี้ย แต่ส่วนท่านจะอัดเทปไปฟังจะไปวัดไปพบท่านมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตามอัธยาศัยแต่ที่แน่ๆเราจะเหมือนกับอยู่ด้วยกันถ้าท่านได้นำเอาพุทธวจนะที่ได้เผยแพร่ให้ท่านได้รับทราบกันทางสถานีวิทยุแห่งนี้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเกิดประโยชน์นะคะเพราะว่ารายการนี้ก็มุ่งเน้นนี้ค่ะคะาดหวังมากเป็นอย่างยิ่งเลยว่าไม่สูงเปล่า ที่เราได้นำเสนอกันออกไปก็ต้องอนมุมทนานะคะกับทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวทางผู้บริหารทั้งหมดที่ได้พิจารณาให้มีธรรมทานเผยแร่พรทุทธวจนะออกไปที่รายการนี้แล้วก็มาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้พทุทธวสวัสดีค่ะ